ทำไมโจรเป็นชายเสมากถามหากผู้ชายมีบุญมากกว่าผู้หญิงเหตุใดโจรร้ายและคนชั่วส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ชายละ่ะตอบ ไม่ใช่ว่าชายไม่ใช่ว่าชายเป็นชายเพราะบุญมากกว่าผู้หญิงนะครับคิดง่ายๆเจ้าหญิงกับข้าทาสใครมีบุญมากกว่ากันวิธีทําบุญและความติดใจในเพศแห่งตนต่างหากที่มีส่วนกาหนดอย่างใหญ่ทําบุญหวังผลในทางสวยทางงามอย่างหญิงก็ได้เป็นหญิงงามตามปรารถนาหรือทําบุญโดยขาดความหนักแน่น เป็นฝ่ายตามไม่ริเริ่มเองก็เป็นหญิงสามัญที่ต้องคอยตามคนอื่นในชาติถัดมาแต่สำหรับชายนั้นต่อให้ติดใจความเป็นชายเทว่าประพฤติตนอิเละเรือคลาตีหัวหมาด่าแม่เจ๊รังแกคนอ่อนแอกว่าหาความสมชายไม่ได้ก็หมดสิทธิ์เกิดเป็นชายต้องไปเกิดเป็นหญิง ที่ไม่มีบุญคุ้มมีแต่บาปหุ้มถูกรังแกง่ายส่วนประเด็นที่ว่าทำไมคนชั่วส่วนใหญ่จึงเป็นชายคำตอบก็ง่ายๆครับบุญเก่าที่อาจหารหริเริ่มทำบุญโดยไม่ต้องให้ใครขยันขยอแปล ร, รูปมาเป็นกำลังหนุนให้กล้าคิดกล้าทำความกล้าคิดกล้าทำนั้นเป็นกลาง สุดแท้แต่จะเอาไปคิดทำดีหรือทำชั่วเนื้อตูถเถอะครับเรื่องค่าแกงเรื่องลักขโมยเรื่องลักลอบเป็นชู้เรื่องโกหกหน้าตายเรื่องร่าสุราไม่กลัวตับแข็งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องการความบ้าดีเดือดแบบชายหรือต้องการการเก็บเนื้อเก็บตัวแบบหญิง